อาจารย์มั่นท่านว่าใจมีภาษาเดียวเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดเพียงความรู้คือใจนี้เพรานั้นท่านี้นก็เป็นภาษาเดียวความนึกออกมานี่เข้าใจแต่วเวลาใช้ออกมาทํกงงาพูดต้องแยก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 การทําให้สุขหรือให้ทุกเกิดขึ้นก็ใจเป็นผู้คิดขึ้นมาผลที่ปรากฏขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับภาระในผลนองตนที่คิดขึ้นมาใจกับธรรมจึงเข้ากันได้สนิทไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเรื่องธรรมกับ นั้นเข้ากันได้โดยกันทั้งนั้นเพราะใจกับธรรมเป็นของคู่ควรกันอยู่แล้วใจนี้คือแกนหรือแก่นของสกุลรากายเราเป็นแกนอันหนึ่งเป็นของแข็งหรือเป็นของเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเหล่านี้ได้แก่ใจนี้เป็นหลักใหญ่อาการที่เกิดขึ้นจากใจ เป็นความคิดความปรุงก็เกิดแล้วดับเกิดแล้วหนับความหมายถึงความกระเพื่มของใจกระเพื่อมขึ้นมาก็ปรุงความหมายเกี่ยวกับการคาดกันอะไรทั้งหมายถึงสัญญายาวไปก็เป็นสัญญาสั้นก็เป็นสังขารคือปรุงแท็บนันเป็นสังขารสัญญาคือความหมายนี่ความความหมายความจํา วิญญาณหมายถึงการรับรู้ในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นตากับหูสัมผัสกันเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นต้นเหล่านี้มีการเกิดการหนับอยู่ประจำตัวของเขาเองท่านจงเรียกว่าขันแต่ละแต่ละหมวดแต่ละกองรวมแล้วเรียกว่าขันแปลว่ากองรือแปลวล่าหมวดมีการเกิดการหนับ ดูอย่างนั้นเป็นประจำแม้พระคีนาสบท่านก็มีอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันกับสามัญชนทั่วๆไปเป็นแต่เพียงว่าขันลงท่านเป็นขันล้วนๆไม่มีกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาหรือให้ทำนั้นปุ่นี้คิดนั้นเป็นขันที่คิดโดยธรรมชาติของมันเองเรียวกว่าเป็นอิสระของขันโดยไม่มีอะไรมาบังคับให้คิดนั้นให้ ปรุงอย่างนี้เหมือนอย่างกิจสามัญันทั่วๆไปหรือเหมือนอย่างขันสามัญชนทนั่วๆไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็ขันลงสามันทั่วๆทั่วๆไปก็เหมือนนักโทษที่ถูกบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงความสำคัญมันหมายต่างๆเหล่านี้ร้วนแล้วตั้งแต่มีผู้บังคับบัญชาออกมา ให้คิดอย่างนั้นให้ปุงอย่างนี้ให้สำคัญสคัญมั่นหมายนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องของกิเลสเป็นนายหัวหน้าบังคับบัญชาขันเ่านี้ให้แสดงตัวขึ้นมาส่วนพระกีณาศพคือพระหานท่านท่านไม่มีปุงก็ปรุงธรรมดาพอปุงแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่มีเชื้อต่อ ไม่ยืดเยื้อไม่กดทวงจิตใจเพราะไม่มีอะไรบังคับเหมือนดังขันที่มีกิเลสปกครองหรือมีกิเลสเป็นหัวหน้าอีกผิดกันที่ตรงนี้แต่ความปรุงนั้นอ่ะเหมือนเหมือนกันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพของแต่ละขันละขันมีประจําตนด้วยกันนับแต่รูปประขัน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 เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจึงหมดปัญหาในเรื่องเกิดเรื่องตายที่เกี่ยวก้อเรื่อมถาดเดืองขันไปที่กําเนิดเกิดที่นั่นที่นี่แสดงตัวอันเป็นอัญหยาบออกมา เ, เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตน้นดังนั้นจึงไม่มีสําหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ภูมิเนี่ยไปแสดงเช่นนั้นไม่ใช่อะไรคือจิตดวงที่ไม่ตายนี่แหละ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 ให้มีให้เกิดขึ้นสึงที่มีนักบำรุงรักษาให้เจริญเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขมีหลักมีเกณฑ์ด้วยคุณธรรมคือความดีอันนี้หากได้เคลื่อนย้ายจากธาตุจากขันอันเป็นปัจจุบันนี้ไปสู่สถานที่ใดพบใดชาติใดก็ตามจิตที่มีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ ย่อมเป็นจิตที่ดีไปก็ไ ป, ไปดีแม้จะเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ยดีมีความสุขเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนกว่าว่าจิตนี้จะมีกำลังสามารถคืออำนาจวาสนาบุญญาไปชลผ่านที่สร้างมาโดยลำดับลำดาบนับตั้งแต่อดีตมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปเป็นลาดับเห็นเมื่อวานนี้เป็นอดีต สำหรับวันนี้วันนี้เป็นอดีตสำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราได้สร้างความดีมาแลคันทั้งนั้นแล้วหนุนกันไปเป็นลําดับลาดับจนกระทั่งจิตมีกําลังถ้าสามารถเพราะอํานาจแห่งความดีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วผ่านพ้นไปได้คําว่าสมมุติใดๆคือการเกิดการตายดังที่เป็นมาและจะปรากดในพบที่ละเอียดขนาดไหนก็ตามซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติแสงอยู่นั้นจึงไม่มี ผ่านไปหมดโดยประการทั้งปวงนีได้จากจิตพระรหันท่านจิตพระพุทธเจ้า่ะพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องพระวังคีสะพระวังคีสะท่านเต่งมากตั้งแตะท่านเป็นค า, ารวะใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรก็ก็พูดไม่ถนัด เขาเก่งทางไยศาสตร์เนี่ยแต่ภาษาปัจจุบันนี้ใครตายนี่เขาเอามาให้เคาะกระโหลกทิศะป๊อป๊อกป๊อกําหนดดูทราบวันี่ไปเกิดที่นั่นอันนั้นไปเกิดที่นั่นเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็บอกเกิดในนรกก็บอกไปสวรรค์ก็บอกไปเป็นสัตวต์เดรัจฉานไปเป็นเป็ดเป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอันบอกได้ทั้งนั้นขอให้ได้ ข้อกระโหลกศรีรษะของคนผู้ตายนั่นก็แล้วกันอันนี้คืพอไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็เอาศรีรษะพระระา ห, ารหันไม้เคาะเอาลองเคาะที่นี่ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบก้มหนดอะไรเงียบไม่ปรากฏว่า เจ้าของของกระโหลกศีษะนี้ไปเกิดที่ไหนจนเกาะพูดย่างคงไปลงมาว่าไม่ทราบที่เกิดอันนี้กว่างั้นทีแรกพรวังกฤษานิวาตัวเก่งเฉลียวฉลาดจะไปแข่งกับพรริจ้าน่ะคุณง่ายๆแต่เวลาไปถึงพุริจ้าแล้วทองค์เอากระโหลกศีษะพระาหาันมาให้เคาะเลยมาติดกรงนี้ีนี้ก็อยากจะเรียนต่อ ทาเรียนนี่แล้วก็จะวิเศษวิโสมากถ้ารู้นี้แล้วอให้เรียสรนสำนักพระพุทธเจ้านั่นแหละที่นี่ก็สอนวิธีให้สอนวิชาให้ให้เคาะกระโหลกนี้ได้ให้เข้าใจสอนวิชาวิชาธรรมนี่ไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเลยโดยพวังคิดสารเลยสำเร็จอรหันขึ้นมาเลยโดยไม่สนใจจะไปเคาะศีรษะใครนอกจากเคาะศีรษะจ้ของรู้แจ้งชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะศีรษะที่ถูกต้อง นี่แล้วยกถึงเนอะยกเรื่องจิตที่ไม่เกิดขึ้นมากะโหลกศรีรษะของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วมาเคาะก็ไม่รู้เรื่องจะเกิดที่ไหนทั้งที่พระองค์กะตตาก่าอนเก่งมากนี่เป็นอย่างนี้จิตคือบริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ได้เช่นพระโคทิกะก็เหมือนกันอันนี้คนหน้าเป็นคติอยู่ไม่น้อย ท่านไปบำเพ็นสมณธรรมเจริญแล้วขึ้นไปโดยลาดับลาดับแล้วเสื่อมลงเจริญแล้วเสื่อมลงฟังว่าหกขนขนที่เจ็ดนี่มิดโคลนมาเชือดคอตัวเองแล้วอกเสียใจแต่ท่านก็เป็นพระหันในวาระสุดท้ายอันนี้เราย่อเลยอันนี้พวกพญามารก็มาตามค้นหาวิญญาณของท่าน พูดภาษาของเราก็เรียกว่าตลบเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจอพระพุทธเจ้าท่านรักสั่งมาว่าการที่จะค้นหาวิญญาณของพระโคติกะที่เป็นบุตรของเราซึ่งเป็นผู้สำเร็จจสิ้นไปแล้วโดยประการทั้งปวงนั้นจะขุดจะค้นจะพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่เจอคือว่ามันหมดวิสัยของสมุิแล้วจะเจ อ, อยังไง มันเลยวิสัยของมนุษย์ที่จะค้นให้เจอนี่ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยสําหรับคนมีวิเลที่จะประสาทจิตของพระหรหันธ์ท่านไดน้ในวงสมมุติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีอิตของพระหรหันธ์ท่านไ ด, นดน้เพราะท่านนอกสมมุติไปแล้วนี่จะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดู จิตของเราที่กำลังล้มลุกคครานอยู่เวลานี้ก็ต่างเมื่อได้ถูกํำละเข้าไปโดยสม่าเสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละความเพียรแล้วจะค่อยละเอียดไปละเอียดไปละเอียดถึงที่สุดความละเอียดก็หมดไปเพราะความละเอียดนั่นก็เป็นส ม, มุดเหลือแต่ธรรมชาติทองทั้งแท่งหรือทำทั้งดวงที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วก็หมดปัญหาอีกเช่นเดียวกัน ก็เป็นกายเป็นจิตประสนิเช่นเดียวกับปิติของท่านผู้พ้นไปแล้วนั้นเพราะจิตนี้มันเหมือนเหมือนกันหมดไม่นิยมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นเพศหรือเป็นส่วนสมมติอันหนึ่งต่างหากส่วนจิตนั้นไม่ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายความสามารถในอริยธรรมจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายและบางที่จะสามารถให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้จนกราทั่งถึงวิมุตบุดพ้นไปได้ก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย ไม่มีการไม่มีกดเกณฑจะบังคับกันได้ขอแต่ความสามารถอำนาจพัฒนาของตนพอแล้วเป็นอันว่าผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามอบรมจิตใจของเราอย่างน้อยก็ให้มีความสงบเย็นจะด้วยทำบทใดก็าตาม ซึ่งเป็นธรรมที่จะกล่อมให้จิตมีความสงบและปรากฏเป็นความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาภายในปิตใจเพื่อนำธรรมบทนั้นมาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องพึ่งพิงเป็นเครื่องยึดของปิดเช่นอนาปานสติซึ่งเป็นกรรมฐานสาคัญบทหนึ่งในวงปฏิบัติทั้งหลายรู้สึกอนาปานสติจะเป็นธรรมที่ถูกกับจริยนิสัยของคนเป็นจำนวนมากกว่าธรรมบทอื่น นำเข้ามาประพฤติปฏิบัติภ า, ายในจิตใจของเราให้ได้รับความสงบเย็นเมื่อใจเริ่มสงบเราก็จะเริ่มเห็นสาระของใจหรือเราจะเริ่มเห็นใจว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรใจอันแท้จริงนั้นคืออะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรก็คือความที่ รวมกระแสะของตัวเองเข้ามาสู่จุดเดียวเป็นความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตความรวมตัวเข้ามาของจิตนี้รวมเข้ามาตามขั้นตามความสามารถตามความละเอียดของจิตตามขั้นภูมิของจิตที่มีความละเอียดเป็นลำดับถ้าจิตนังหยาบรวมตัวเข้ามาก็าจะสามารถทราบได้เหมือนกันว่า ว่านี่คือจิตแล้วละเอียดเข้าไปความทราบว่าจิตนี้เราก็ทราบแล้วแต่ทราบว่าความละเอียดลงไปอีกว่าจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่องใสจิตนี้สงบยิ่งจิตนี้เป็นของอัศจรรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับลาดับลำดับนั่นในจิตดวงเดียวนี่น่ะการชําระการอบรมเพื่อความสงบการพิจารณาปัญ้าแก้ไขสิ่งที่กัดกรองภายในจิตใจด้วยปัญญา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 จนกระทั่งถึงสามารถผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนพานา จ, จิตใจขอให้ทำาจของเราได้ให้ให้ให้มีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งวนเองได้ส่วนสกลนาการนี้เราก็พึ่งเข้ามาแล้วตั้งแต่วันเกิดทราบด้วยได้ด้วยกันผ่อยู่ผ่านอนผับผาถ่ายผ่าทการทางาน จะมาหาเรื่องจีบทั้งใชาเขาทั้งเขาชาเราทั้งเขาบังคับเราทั้งเราบังคับเขามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละบังคับเขาให้ทํางานแล้วเขาก็บังคับเราทุกเนี่ยว่าไงแล้วเจ็บนั้นปวดนี้ก็ต้องไปหาอยู่้ายาของเขานั่นแหละเป็นคนเจ็บแล้วเขาแล้วมันผู้หาอยู่้ายาเงินทองเขาของกับเขานะหามาอะไรอะไรหมุนกันไปหมุนกันมาแบบนี้นี่เลยไม่ทราบใครเป็นใหญ่กว่าใครท่าขันกําเหรามัน เราบังคับเขาได้ชั่วการแล้วเขาก็บังคับเราได้ตลอดเนี่ยการเจ็บไข้ได้ป่วยการหิวการกระหายการอยับหลับการนอนล้วนแย่ต่างต่งเป็นเรื่องของทุกข์ที่บังคับเราทั้งนั้นนี่เขาบังคับเราอยู่ทุกด้านแต่เราบังคับเขาได้เพียงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นในการที่ควรอย่างนี้ที่เราจะบังคับให้พาเขาภาวนาเอา้าทําลงไปเมื่อทาตุขันยังปกติอยู่คนจะหนักเบามากน้อยอย่างไรเราก็ทำลงไป แต่ธาตุขันเมื่อปกติธาตุขันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ความหนักความเบาของธาตุขันเรื่องใจให้เป็นความเพียรอยู่ภายในตนเองเป็นสิ่งสําคัญมากเราก็ย่นเข้ามาจุดนี้อาศัยเข้ามามากแล้วเวลานี้มันชำนุษย์จุโสมก็ให้ทราบว่ามันชำนุษย์อันไหนที่ควรจะใช้ได้อันไหนที่มีความสามารถภายในตนเองคือจิตใจเราก็ให้เล่นอยู่ภายในใจของเรานี่ไม่ขาดผลไม่ขาดประโยชน์ให้ใจมีหลักมีเกณฑ์ดูมีหลักตายก็มีหลัก เจอที่ไหนก็มีหลักอันดีเป็นที่พึงพอใจเพราะคําว่าบุญแล้วไม่ผิดความคาดความหมายไม่ให้ผิดหวังต้องเป็นสิ่งที่พึงใจทั้งนั้นจึงเรียกว่าบุญคือความสุขที่โลกต้องการเมื่อกันไม่มีใครใครอิ่มพอก็คือความสุขนี่แหละจะเป็นสุขทางในก็ตามเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการแต่พอยันยิ่งสุขภ า, ายใน จ, จิตใจซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการทําบุญงามความดีเป็นลําดับลําดับมีภาวนาเป็นต้นมีเป็นความสุข อันเป็นแก่นหี่เป็นสาระสำคัญภ า, ายในปิตใจเอาให้พากันบาเพ็ญในเวลาร่างกายหรือธาตุขันยังเป็นประยูนนี้เมื่อถึงอาวาสานอย่างทีวิแล้วมันหมดวิสัยด้วยกันนั้นเนี่ยจะทำได้ยังไงมันสุดวิสัยแล้วจะทำได้มากน้อยต้องหยุดในเวลานั้นเรียกว่าหยุดงานพักงานไปแล้วโน่นพบใหม่ต่อไปนู่นที่ควรจะทาได้เราก็ทา ถ้าผ่านประสิทธิ์มันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงต่อไปนี่แหละนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นหลักใหญ่ที่จะพาเราไปดีไปชั่วไปสุขไปทุกข์ก็คือจิตไม่ใช่อื่นใดที่จะพาให้เป็นไปคําว่าตารรม่าเวนันก็อยู่ที่จิตเป็นผู้เคยสร้างเอาไว้ตนจะจําได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่เชื่อของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็ปิดไว้ไม่อยู่มันเป็นประดับของมัน แล้วก็ยอมรับมันไปตามหลักกรรมนั้นนั้นแต่เราจะไปตําหนิมันเราเมื่อเราทําลงไปแล้วเราจะไปตำหนิยังไง ม, มือเขียนก็ต้องมือลบยอมรับกันไปนเรื่องของกรรมมันเปลนมันจนกระทั่งมันพ้นไปได้มันก็หมดปัญหาหลักการแสดนธรรมก็เอาเพียงแค่นี้ต่อไปท่านปาัญญาอธิบายให้ท่านนี่ฟัง